เรื่องพิจารณาคือว่าทุกนั้นทุกคนนั้นบยอยากได้แหละเรื่องทุกว่อยากพบอยากเห็นแักคนแต่มันมีไปจําอยู่ในตัวของตนทุกคนหรือว่ามันมีไปจําในโลกผู้ใดเกิดขึ้นมาแล้วต้องประสบพบทั้งนั้นคือเรื่องทุกข์ทั้งหลายแต่คนไม่ค่อยคานึงคิดถึงทุกพิจารณาถึงเรื่องทุก ถ้ามันมีเครื่องระงับที่ท่านว่ากิริยาบทเป็นเครื่องระงับเป็นเครื่องบรรเทาทุกทุกจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาทุกเกิดขึ้นมามันมีเครื่องระงับชั่วคราวเป็นเครื่องบังคับ้เครื่องบรรเทาชั่วคราวเปรียกบมืยากาศร้อนคนก็ว่าเป็นทุกข์เรื่องร้อน แต่ ว, ว่าถา้ามันร้อนมาแล้วก็อาบน้ำเสียเลื้องคัดมาคัดเสียมันก็เย็นไปก็เข้าใจว่าสบายก็ลืมไปละหายไปละเนื้อมันหิวมันอยากอาหารได้อาหารมาทานจะเล็กๆนี่น้อยเขานั่นกับแก่บันเทาไปนิดหน่อยก็เลยลืดทุกข์ไปเสีเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องทุกข์นี่ย มันเซ็งของไปจำตัวอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกไปจำคือทุกแก่ทุกเจ็บทุกป่วย ท, ทุกหายทุกเหนียวกระหายเจ็บไปถูกร้อนถูกหนาวกระทบร้อนกระทบเย็นเซ้งของไปจำทุกอันที่มันจอนมาก็คือวทุกถูกตัดไล่กัดหรือถูก ตบถูกต่อยถูกเป็นใครเป็นนีังเกิดขึ้นมาเป็น ข, ข่าวมังค่าเรียกว่าทุกจรมาคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ที่พากันดล้นข้นขวายทุกวิถีทางก็คือเพื่อต้องการหนีจากทุกดิ้นรนแค่นี้จากทุก นี่ยังว่าทําเบื้องต้นคือปลารคทุกเหมือนใครแพ้ทาอะไรทั้งหมดสิ่งทุกอย่างนะ่ะจะทําทยังกระตามคือปลารคถึงเรื่องทุกข์ทางนั้นอยากหนีจากทุกข์ทางนั้นค่อยๆ พ, พากันทำทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอิทธทางทำมาท่าขายสำหรับแตการบ้านเมืองมันต้องการอยากจะให้คนจากทุกข์คืออยากจะได้ สิ่งของมาบำบัดทุกข์อาหารก็ น, นุ่งของผมโดยเฉพาะคือเงินที่เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี่เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นระยะระยะไปเราต้องอาศัยปัจจัยสี่เพราออยู่ได้นี่เรียกว่าป่าโรคทุกข์เบือ้องต้น ทุกขันปารกทุกขันต่อไปคือเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้หราเป็นของเบื่อหน่ายพอเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องประสบพบอยู่ตลอดเวลามมมีวันสิ้นสุดตายเมื่อใดเสียจึงค่อยจะพ้นไปเสียจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้พ้นในเรื่องชาตินี้ที่เกิดอยู่นี้เพะนั้นบางคนที่ทุกข์มาก ทุกข์พความคับแคนแน่นใจบ่มีที่พึ่งอาศัยญายิมิดบม่มีแล้วบ่มีผู้ใดจะเดืยวแลได้นะรับความลำบากจากการเจ็ดใครได้ป่วยพอดีนึกทนทุกข์ทรมานวยประการต่างๆเขาทอดทิพมทุกข์มากจะเห็นว่าโลกอันนี้บ่มีที่พึ่งอยากจะตายแท้ทุกข์ถึงขนาดนั้นลเลยอยากจะตาย บางทีถึงกับขาดจนตายก็มีโดยเหตุที่เห็นโทษทุกข์บ่มีวิถีทางแก้ไขอัง น, นั้นทุกอย่างบ่มีหิถีทางแก้ไขจนยอมสละจนยอมตายถ้าหากว่าทุกผู้ที่มีหิถีทางแก้ไขยังว่าน่ะมีปัจจัยสี่เป็นเครื่องมันเท่าเป็นระยะระยะไป ผู้ที่พอบรรเทาไปได้ก็เห็นว่าบ่ามีทางสินสุดอยู่ตลอดชีวิตทุกแล้วก็ทุกเล่าอยู่างนั้นหายไปแล้วก็กลับเกิดขึ้นมาอีกผู้ที่เห็นโอดทุกอย่างที่ถ้าพิจารณาทางถูกทางต้องคือเคยได้ยนินได้ฟังคํำคาสอนคุณเจ้ามาทางคนทุกข์หรือสั่งคุณางามคุณดีอย่างใดมันก็ทุกแล้ว เกิดมาอยู่ในกองทุกข์น่นล่ะจะทำยังไงได้ถ้าเกิดมาใหม่อีกมันก็จะมาเป็นที่นี่อยู่นี่แหละเกิดมาชาติได้พบได้ก็มาเกิดมาอีกยู่นี้มันก็ไมต้องเป็นที่ใดล่ะ ก, การสร้างคุณงามความดีเทศนาให้ฟังว่าการสร้างคุณงามความดีถึงจะทุกข์มีอยู่มันก็บ่ได้กังวลกับทุกข์เพราะไปะยึดถือความดีเป็นที่พึ่ง ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลตังเทศตั้งธรรมอบรมกรรมฐานคนที่สร้างบุญสร้า ง, รรงออกุศลร่วมอบคุมใจทุกข์มากหากได้เขาสร้างคุณงามความดีก็สร้างบุญสางกุศลแล้วเราจะยึด อ, อวามดีนั้นเป็นที่พึ่งเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ใจะพ้นจากทุกข์ได้เราไปยึด อต้นเหตุที่จะให้พ้นจากทุกข์มันอยู่ในคุณงามความดีเช่นเราทําทานนักาสติมันอยู่ในใจของตงัวเองเสมอทางอันนี้ทางเดียวเทา่านี้ทางที่จะพ้นจากทุกข์มีเส้นเดียวสายเดียวเท่านี้แหละยึดมันนั้นอยู่ถึงมันจะทุกข์สักเท่าไหร่ก็จะอดคนคือว่ได้กังวลยึดออกมาเป็นอาโท เจ็บใครได้ป่วยอพุทสาปัญญาบกขาดทาฐานบกขาดในการรักษาสิบบกขาดในการไหว้พระตรวจมนบกขาดในการอบรมจิตทำ ร, รมาธิภาวนานเพราะเรื่องทั้งหลายล น, น, นั้นมันทุกข์แก้มาว่ามีที่สิ้นที่สุดมันทางที่แก้มาแก้มาแล้วมันหมสุดเป็น เมื่อเรายึดเอาของดีคือคุณงามความดีที่ว่านี้เป็นเครื่องอยู่ทุกทั้งหลายนั้นเลยบมาลบขวนใจมันบวมาลบกวนใจของผู้ที่ยึดเอาความดีนั้นเสื่อมันในความดีขั้นตนเลยทุกมันก็ทุกไปตามเรื่องของมันมันมีวิธีแก้ทุกผู้ที่เห็นผู้มีอันระงับดับทุกได้บรรเทาทุกได้ แล้วปัหาวิธีแก้สูงไปกว่า น, นั้นอีกผมัมแก้ได้เสียสักได้ว่าหาปัจจัยชาติทั้งสี่มาบำรงงุงอา น, นั้นมันแก้บกมุมีมันมันแก้สั้นสั้นต่ำขามต้นนั่เป็นทางใพ้นจากทุกข์ได้มีผู้มีปัญญาต้องหาแก้ขันดีขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกเลือกเอาขันสูงเข้าไปกว่า น, นั้นอีกขั้นละเอียดข้นไปกว่า น, นั้นอีก แก้โดยที่สร้างควดีแก้โดยที่วิธีอบรมความดีคือวุ่นวุ่นคนความทุกขทั้งหลายที่เราเคล็ดไว้เราเคล็ดไว้แล้วเราก็ทิ้มใช้แล้วเราก็บดสร้างอีกความทุกข์ทั้งหลายเพราะความทุกว์นั้นเป็นปัจจัยมาเกิดของทุกข์เพราะความทุกทั้งหลายนั้นเป็นเวร เ, เป็นกรรมนำให้มาเกิดแก่เจ็บตายนำให้มาได้ทนทุกข์ทรมาน ที่เราเรียกกันว่าสเสวยบากสเสวยกรรมแท้จริงคนเราเกิดขึ้นมานั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยค่ยได้เกิดอีกพรากเทพปดาทั้งหลายก็ดีพวกคมพวกอินพวกคมก็ดีที่ถือว่าได้ความสุขมากๆแต่ยังพวกคนแบบสามชั่วมีกรรมชั่วติดตัวไปที่น เพราะเราถือว่าการรมชั่วนาตัวมาเกิดเห็นอล้วนะจ้งพรายามเว้นความชั่วท่านจ้างหาผูตัวทุกดังเทิบาลนี้แล้วจะพรายามเว้นจากความชั่วอยู่ตลอดเวลาท่านจึงแสดงถึงเรื่องศีลของพระอริยบุคคลคือผู้เห็นโทษในวตาร้องสารกันจริงๆริงจังแล้ว แม่ถึงชีวิต ก, วก็ยอมทละแล้วประยอมทำคุดชว o คือว่ายอมผ่านจากสินน่นั้นนี่นั้นกล่าวทั้งเรื่องยิทฐานไปถึงเรื่องสองพี่น้องแม่ป่วยเขาว่าจำเป็นจะต้องไปหานกน้อยมาทำเป็นยา สพี่น้องเขาเลยบํยอมบํยอมทําบํยอมทําตามหมอเขาว่าพ่อขู่บาปถ้าไปฆ่าน้องน้อยมาเยี่ยวยาแม่ของเขาแล้วแม่ต้องหายเขาก็จะได้รับบาปถึงยังไงแม่หายเขาต้องตายอีกวันหนึ่งครั้งหนึ่งเขามีปัญญาพิจารณาเห็นเสร็เขาเลยบํยอมสองพี่น้องเขาเลยเลยบํยม อ, อยย ม, ตยยมตายบํยอมตายโดยอํานาจสัจจะของจริง ความดีของเขานั้นเขาที่ฐานทั้งเรื่องความดีของเขาเลยเป่าแม่ผลแม่ขงเเลยหายจากโรคไข้ไเฟิบแม่ของเขามีตัวอย่างคู่ที่เห็นโทษกันคักแม่แล้วเห็นโทษกันจริงๆยังจังแล้วชีวิตจะดับสูญกรยอมเพราะย้านมาเกิดอีก การมาเกิดอีกแล้วน่นมันว่าเป็นทุกข์น้อยด้ก็อย่างพวกเราเาเมื่อกิดตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้คิดกันดูเรื่องการเจ็บการป่วยการลอดรมรอ ด, อ ด, อดตายมาจายข้างงายหนปกติธรรมดาเป็นลม เ, เป็นแล้งกับนับบทหวนกระทบร้อนกระทบน้วถูกแดดถูกฝนกับนับบทหวนเป็นทุกข์โรมา นิ้วก็หายอยากน้ําอยากเขา้ขาก็นับปวดหัวเป็นโรคหูโรคตาโรคแผวเจ็บแผวเจ็บฟันเจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็ บ, จบใสท่ายท้องท่ายใสกคณับปวดหวนถ้าหากว่าเราจะบันทึกใส่สมุดไว้ตั้งแต่เกิดไว้กระทั่งจนป่านนี้ ถ้ามดเล่มหนึ่งหน า, หนาเกือบม่ใช่บนวันไว้บนเกิอที่มีบนเขียนเท่นั้นเพราะกรรมเล็กน้อยให้มันเกิดเท่านั้นค้ามันเกิดแล้วต้องได้รับมดสทั้งหลายเรานี้ที่มีอยู่ในโลกใช้บ่ิได้รับบุญมิจฉาคน อ, อย่างที่ว่ามันนี้แหละเจ็บตาเป็นตาโอตาแดงเลือดที่เหงื่อถูกตาที่ผงนถูกตาเข่าตา แมงไมมตามตาเข้าตาหนีมาทุกคนนเราจะพ่อตาเพราะทั้งเรื่องหูหูเน่าหูหนองว่าทั้งเรื่องเข่าเจ็บเข่าเจ็บฟันว่าทั้งเรื่องเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บกระดูกเจ็บแขนเจ็บขาว่าทังเรื่องท้องเรื่องใจเจ็บท้องเจ็บใจลงท้องลงใสเน้อะทังเรื่อง ตีนถูกสะดุดสุดต่อ้นาปากน้ำทั่งน้ำบงน้ำปากน้ำแขงนัดบทวนแล้วอันที่เป็นมาถูกมัดอละครคนนึขอที่มีกดับดุต้องถูกมัดต้องได้ผูกมัดได้รับทูกมัดทุกคนโดยจะพาะก็คืออากาศจะดูร้อนจะแปหาน้ำน้หนาวจะแปห้ห้า ร้อนร้อนจะไปหาเย็นจะไปหาฝนฝนจะไปหาหนาวหนาวจะไปหาร้อนปีหนึ่งเปลี่ยนสภาพอยู่สามเถื่อนใครเกิดขึ้นมาแล้วบได้รับว่ามีเจักคนในขณะที่มันเปลี่ยนเดินดูจะต้องได้กระทบกระเทือนเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข่างน้อยกว่าสปาร้อนสปัรหนาว เรื่องไห น, นทั้งหลายแล้วนี่เนะี่ยมันมีอยู่ในโลกผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาประสบผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาผ่านทั้งหลายอย่านี้นี่เพราะความเกิดกรรมคือการทคํคสมสัวให้มาเกิดแล้วจะได้รับผลได้รับผลฉนองคือเสวยบาปนะนั้นนักบทวนผู้เพิ่นเห็นชัดในใจเห็นโทษใจในความเกิด พามันนำ ซ, ซึ่งโทษทุกข์มามาก ม, มายหลายอย่างหลายประการท่งแจงอุตสาพยายามมดเว้นให้จากความชั่วคือว่เห็นเก็บปากเก็บท้องไม่เห็นเก็บความอยากความิดเราจินแล้วคิดเหมือนว่าเราไปลากเขามากินนั่นสิละไปขโมยเขามากินนั่นสิเนี่ยเราคิดคิดอนกัน เอาว่ากินนั่นไม่ใส่ป่าเสร็จเท่าเราไปคืนเดียวก็พอคืนทํายังหิวทํายังกินเมื่อเช้าในกลางวันยังหิวยังอยากเมื่อแรงยังใหญ่ทําเ้าบุกคุลค่าทํานะบุกคคลมือทนายเอามากินเพื่อ น, นึงทนานขอที่รักเอามากินอันนี้อํานาจกรรมที่เรารักเอามากิน จะต้องมาเกิดบ่แม่นมือเดียวได้บ่ะนี้อย่างาอายุคนสมัยนี้หกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายทั้งแต่เกิดห้ามมือตายยังหกสิบเจ็ดสิปีขี้นึงเพราะอำนาจของกรรมที่นำมาเกิดอยู่ได้เสวยทนทุกข์ทรมานอยู่ตั้งหกสิบเจ็ดสิบปีบ่แม่นเดีเท่านั้นตายไปแล้ว นสามารถจะเป็นคนทุกข์ทรมานในเซนปเซสนรกตกนรกหมดใหมย่ยิ่งจะท่านาห น, นิงไปคนอีกกินข้าวเดียวเท่านั้น่ะกินที่เดียวท้างเดียวอิ่มเดียวคุณนะ่ะอันนี้เสริมมาเนื้อเหน ย, ยวขึถ้าหากเรากดกนันเสียยายิ้มยากยได้บอกไปลักทอขงขโมยของแพ้ละอึศาเวนนะใช่แล้วก็บอกขอต่าง แต่หากินทั้งอื่นมันยังพอได้พอทดแทนในชีวิตเปลี่ยนไปอย่ากรรมข่มซั่วแล้วก็ไม่ได้ตัวเราไม่ได้มาทนทุกเรื่องนั้นอีกกรรมนั้นก็จะบได้มีอีกมันก็จะหมดสูญไปเหตุ น, นั้นท่านจึงยอมสละชีวิตตายจะดีกว่าหาก็ราไ่ได้กินมันจะตายใช่ไมสมมติว่าเราเกิดอายุแดงสามสิบสี่สิบปีขึ้นมาทีละ หากเขาไ่ได้รักเขาม่กินอ่ะมันจะตายใช่ไหมโยติ น, นยังเหนืออยู่กับวิปเพอร์สามสิบสี่สิบปีก็จะต้องตายถ้าเรียกว่ายังน้อยนินดเดียวแต่หากว่าได้ไปทนทุกข์ในอนาคตนานทนทุกข์เพียงยี่สิบสามสิบปีนแล้วก็ตายแล้วก็เมดเรื่องกีับว่าได้ทนทุกข์ในอนาคตขนาน้างหนตั้งเป็นหมื่นปีแสนปีผู้เห็นโทษ คัดในในใจของตนอย่างนี้แล้วยอมสละได้แท น, นเนี่ผู้คนพิจารณาเห็นโทษทุกข์จึงค่อยสร้างความดีได้ผู้ที่ว่เห็นชัดในใจสร้างความดีบ่อยเขาเป็ย่างแบบของเล็กน้อยดอกก็เลยแล้ ว, วไปทำไปเรื่อยไปมีผู้เห็นโทษทุกข์สร้างความดี สำหรับที่จะบวชให้มาทนทุกข์ทรมานให้มันเกิดอีกต่อไปการอาศัยทุกข์กคือกันอันนี้ทุกข์เห็นพิจารณาเห็นโทษทุกข์ส่วนละเอียดเข้าไปส่วนดีขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกกวชเบิกบตนหมดเวน้นเอาเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์คือกันเอาทุกข์มาเป็นเหตุพิจารณาคือกันอันนี้ผู้ที่ท่านพิจารณาสูงข้นไปก็นันอีกได้ทัน เอาตทุกนี้ให้กันต้องใช้ปัญญาละเอียะญาตพได้เจ้าเป็นเทศสนาไ้ในธรรมจักรทุกเป็นของคนกำหนดตรงนี้เห็นจริงแล้วทันทุกคนนี้เพได้จิตเอาทิมได้เพราะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ทิมเ่อใดเดื่องทกคาอัญญังในหลวงแผ่นดินทุกคนนี่ละทุกเกาแก่เขเจ็บเตาย แกกับเจี๊ยบจได้เจีบกับเจียบอยู่ตลอดเวลาดังเคยอธิบายฟังมาแล้วความตายก็ยังติดตังเราอยู่ทุกขณะแค่ว่าจะตายขาดลมหายใจเขาบ อ, อกมเมื่อไรครับผจับเราจะต้องได้อยู่ดีๆนละยเมื่อเป็นเช่นนี้ทิมบ่ได้สักคนเดียวผู้ได้เจ้ากับทิมเอาออกบ่ได้ท่านเนรงปลารลถึงเรื่องทุกทุกขะออย่างบัน มันปัญญาของคนเรียบละเอียดเทียบแหลงประนั้นที่บอกคือเก่าบอกโบราณนั้นนี่บอกคือที่ว่ามาแล้วนี่ละเอียดเทียบแหลงประการเก่าเน้ทุกข้ออย่างละทีะ่เทียบว่าทุกหรือลเอียดเกิดมันก็เรื่องของธรรมอันหนึ่งอย่างเคยที่ไปแล้วทางแั้แกก็เป็นธรรมเทราธรรมเจ็บก็เป็นเทราธรรม เจ็บก็เรียกว่าพยายามที่ทำตายก็เรียกมรณะธรรมนั่นเป็นธรรมนี่แล้วเมื่อแกอเมื่อเจ็บเมือเม่อตายเป็นธรรมเราพิจารณายอย่างไหนมันจะให้เป็นธรรมการนเห็นเป็นเรื่องของธรรมบุเป็นเรื่องของเรามันแกออยู่ที่กายมันเจ็บอยู่ที่กาย มันตายที่แปลกายเกลดำดยใจนั่นถจะแก่จะเท่ามันก็เันมีอันแก่เท่าันกระใจความเจ็บที่ใจไปยืดไปเจ็บมันก็เจ็บเท่าเก่าเด็กน้อยก็เจ็บเท่าเก่าผู้เฒ่าเจ็บเท่าเก่าเป็นสาวเจ็บเท่าเก่าความอยากได้อยากดีผู้ใหญ่ก็เท่าเก่าเด็กน้อยก็เท่าเก่า ความฮักความส áng, function, ั teenage, ่งจะเท่าเก่าโบเม่นใหญ่น้ำเด็กน้อยมันน้อยน้ำเด็กน้อยแล้วไม่ใหญ่น้ำพุผู้ใหญ่แล้วผู้เฒ่าผู้แก่เท่าแก่ไปแล้วความสังความฮักมันจะเหมือดมันก็โบเมมันไม่เท่ามันกับโบเมนไม่ได้เท่าเก่าอยีกอันนี้มันเท่าเก่าเท่าเดิมก็มันเห็นนั้นนั่นมันมันบบแก่โบเฒ่ามันบบเจ็บ งันโบแก่โบเท่านบตายเพราะฉะนั้นันที่มันแก่คิดร่างกายมันแก่มันแก่แล้วมันก็ปอนกําลังเรียลแรงก็เมดไสสปสูส้ปีตไปเหวี่ยวแรงไปขํามข้าไปอันนี้มันมันอยู่ที่กายเดือหาดเจ เจ็บควงไข่ควมมลพิความอยากความโลกความโกรธของมันโแกคความหักความสังมันก็โอเคอนี้อันนี้มันตายไปไานั้นมันก็ตายแล้วเนี่มันยังอยู่นเพราะเลยพิจารณาเห็นแล้วเสด็จไ่นคนนี้เพิ่งแล้วปล่อยให้กายนะเพราะมีปัญญาเพราะเนี่แกมอยู่ที่กายเจ็บอยู่ที่กายตายอยู่ที่กายความเย้าความหายคน นันมันอยู่ที่กายใจเพื่อเบอชไปไว้ไไว้กับกายเจ็บใจบวชไปไว้กับกายเจ็บกายใจแล้วบวชไว้กับกายตายเพื่เราเปผู้เบิ่งซื้อผู้มีปัญญาเบิ่งความแก่ของกายความเจ็บของกายเบิ่งความตายของกาย้ตัวใจอ่ะทให้เห็นความแก่คองเจ็บของกายของตาย ร่างตายของกายเนะี่ยควรใช้เยอะทุจริตเนลนมันกรบวมเดือดทุจริตนาอยู่มันจะใช้เยอะทุจริตเนลนเพียงงมันอยากได้เพียงอย่างอยากได้มาเพราะมันอยากได้มาไว้ใจมันไ่อยากได้มาไว้กายเลยใจมันไว้บนไดนมือบนไหนไหใจมันอาศัยกายเนี่ยมันอยกมาให้กายอย่างอยากกินมันก็เอามาให้กายในกินใจม่กิน อย่างกระเะดาวกระเาตกแต่งมันก็มาตกแต่งกายนี่ยมาใช้ระดพาตกองเด็กใจนะอย่างถ้ามัสดสวยงดงามมันก็ตัวกายนี่มาสดสวยงดงามที่กายเราจให้เท่าให้แกี่มันก็สีกายนี่ต่างหากมันไม่ได้ไปไว้ที่ใจเหตุนั้นกระทาห่างพิจารณาเหตุก่เห็นเจ็บเห็นตายเป็นธรรมใจมันก็วางใจมันก็บวมยึดไปนิด ตัวของมันมันก็น people, ได้ความสุขความสบายมันก็ปล่อยวางไปใว่าพิจารณาเห็นจบบนี้เห็นตามเป็นจริงเน่เห็นตามเป็นจิงพิจารณาทุกที่แก้ทุกแก้บ่เนื้อสั้นบมมันแก้ฉันเป็นเนื้อสั้นแล้วค่านี่กายแตกกายดับกายเจ็บกายตาย ใจมันไปอยู่คนนึงต่างหากเป็นได้ผู้เบิงผู้เห็นได้ซื้อมันเลิศบ่ได้ไปยึดเอาน้าเป็นข อ, นะองตนของตัวขั้นบ่อยยึดแต่มันก็บอกยู่บ่นเกิดมันก็มีวันเกิดอีกต่อไปพอรู้เท่าเข้าใจตามจริงบ่อยยึดแต่มันก็วางปล่อยวางมันก็ป่ะจอมต่เกิดแก่ใจอีกต่อไปนั่นก็หมดเรื่องเรียกว่าป่ารบทุก เอาทุกนี่แหะมาเป็นเครื่องยึดเอาทุกมาเป็นเครื่องพิจยณาเอาทุกนี่มาเป็นอารมณ์เอาทุกนี่เรามาคิดมาคน้นิจารณาตั้งแต่หยาบมาถึงฟานกลา ม, มาถึงละเอียดใช้ทุกนี้ทั้งนั้นครับพูดอดไริ้งอันนี้จะแล้วละ่บละบ่มีหลักบริวาปิร น, นา ถ้าผู้บวชทิศเจรณาก็ทุกข์ก็อยู่อย่างนั้นแล้วป ล, ล่อยก็ตามเรื่องดีสั่วก็เลยปย ล, ล่อยไปตามเรื่องเนี่นก็สร้างมันมัน้ยคืออันนั้นอนเฝ้ามันนะนอนเฝ้ามอมัน้วแต่มันจะสุกสุขก็สร้างนั่งเฝ้ามอมันเนี่ยดีก็สร้างมันสั่วก็สร้างมัน มันจะเป็นเีืยองก็สร้างมันทุกข์โศกโลกภัยก็สร้างมันเรื่องก็สร้างมันเลยโบกิดเจรนาวม่ได้ปัญญาแล้วม่ได้ผมรู้นอนเฝ้าหมอมันนั่งเฝ้าหมอมันเนี่ยนะเมิด เ, เรื่องดีขึ้นกับบุญถ้าหากนามาใช้อุบายปัญญาเทียนาอย่างที่ว่านี้เราจะเกิดความรู้สวะตว่างเกิดปัญญากะอาดเิเลี้ยวขึ้น เราจะเห็นธรรมะเป็นเครื่องประปงแล้วจะเห็นธรรมะเอาเป็นเครื่องนําให้พ้นจากทุกข์ในจริงๆเราจะเห็นว่าการพิจารณาธรรมะนี้ทาบุคคลผู้ตัวให้ดีอยูนในตัวแองเพื่อเห็นชาตการเป็นจริงแล้วละความชั่วได้โดยตนเองไม่มีคนอื่นเหมือนครับดังอธิบายมาแล้วเห็นโทษทุกข์แล้วบุกกล้าเห็นชั่วต่อไปอีกเพราะ เขาโทษมันเป็นมาจากความส่วทุกข์อมาจากความสุขสร้างความดีแล้ะแก้ทุกข์ละทุกข์เห็นชาติเดินเองสียดายอมะละได้จริงมีจรงอธิบายถึงเรื่องคำเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์เพื่อนำไปคิดพิจารณาการพิจารณาจะได้อย่างว่ไรคือมันละความส่วนแค่เห็นชาติละชั่วถ้าเรเห็นชาติละบุตร เพงเข้าใจเถอะทว่าเราละบุได้นั้นเพราะเราเห็นชาติต่างเป็นจริงจึงละคนชั่วบุได้ขณะเราเห็นโทษทุกข์ว่ามาเกิดมาจากกรรมคือความชั่วแล้วทุกคนต้องละได้เหมือนกันกับว่าเราเห็นอัจฉริษะหรือเห็นของแถลบเอื่นไก่ล่ะยาพิษยาเี้ยังก็ตามวะ ทีทีที่เขาพูดสี่เนี่ยโอ้ยมันถูกกินเทแล้วมนุษย์เป็นที่เป็นสมที่ห้าสิ่ทุนแล้วบอกเข้าไปใกล้คือแล้วบอกเอานะมาดมแล้วบอกเอานัมาไว้ใกล้เขาถ้าเห็นชัดเลยตนเองนะผู้อื่นจะมาให้ก็ได้แต่เห็นก็อย่าไปไกล้อย่าไกลเพื่เห็นโทษทุกในการเกิดเพราะคนซั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะบาปกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัย ผู้ใด ไ, ไปกายให้ผมตัวเท่าไปอีกพราะานทุกข์ก็อบอร์เฮ็ดผมตัวทั้งสนอันนี้ยังเฮ็ดคนตัวลงตัวผู้ใดนั่นพอ่อะบเห็นชัดในตนเองได้ยินได้ผืนว่าก็เลยโบเสื่อตามจริงจึงว่าเป็นของยากอันไดทาา่าห่าบโเห็นได้ตนเองทำมากยิ่งเดียวปัิจจตังขันท่าถึงทำแล้วต้องเห็นได้ตนเองขานผู้เป็นทำแล้วต้องเห็นได้ตนเอ ง, เองคือปฏจจตังเห็นได้ตนเอง ยังจะเรียกว่าหินธรรมท่านฟังได้คนอื่นว่าอย่งนั้นบ่กทันถึงธรรมนั่นบอเป็นปัจจรริต่างเนี่ถ้าพิจารณาเห็นตามนจริงมันได้ประโยชน์ที่บ่อเราจะละตัวได้โดยตนเองที่เพราะฉะนั้นทุกๆคนให้พากันคิดค้นในเรื่องธรรมถ้าบกคิดบกค้นจะเห็นพากันนั่งเฝ้าหมอมันนี่ก็ตามมันเรื่อยบปได้ดีนะเพื่อนเชื่อแลว้วบกเป็นประโยชน์ที่้ต่อไป เนี่ยที่บายมาถึงเรื่องธรรมะแสดงถึงเรื่องทุกเป็นเหตุทุกเป็นอารมณ์ละทุกเพราะเห็นโทษในทุกละได้เป็นกนขังนคือบางส่วนในสองกลางในที่สุดมีนัยยะนะ